อะไรคือขันห้าขันห้าคืออะไรเราควรจะรู้จักขันห้าหรือไม่หรือไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักขันห้ารู้จักขันห้าแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างถ้าไม่ควรรู้พระพุทธเจ้าก็คงจะไม่นำมาสอนพวกเรา เพราะถ้าเราได้รู้จักขันห้ารู้จักความจริงของขันห้าว่าเป็นอะไรแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเรานี้สบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราจึงควรมาศึกษาขันห้ากันคำว่าขันนี้เป็นภาษาบาลี เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าความหมายก็คือเป็นเป็นส่วนหรือเป็นส่วนประกอบของชีวิตนีพระองค์ทรงทรงแสดงส่วนประกอบของชีวิตว่ามีห้าส่วนด้วยกัน พวกเราทุกคนมีขันห้าเพียงแต่เราไม่เรียกว่าขันห้าเท่านั้นเองเราเรียกว่าร่างกายส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าร่างกายเพราะเป็นส่วนเดียวที่เรารู้จักที่เรามองเห็นเราเรียกร่างกายของเราว่าเป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่มีร่างกาย เราก็ตายอ น, นี้คือความรู้จักของพวกเราเกี่ยวกับขันห้าเรารู้เพียงขันเดียวคือรูปประขันรูปประขันนี้ก็คือร่างกายที่เรามองเห็นกันอยู่ที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราส่วนอกีกสี่ขันนี้ หรืออีกสี่ส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรานี้เรามักจะไม่รู้จักกันเพราะเรามองไม่เห็นมันเพราะมันไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายส่วนประกอบอีกสี่ส่วนของชีวิตเหล่านี้เป็นส่วนที่อยู่ในจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันแต่เป็นผู้ที่ มีความสาคัญต่อชีวิตของพวกเราส่วนประกอบอีกสส่วนที่เรามองไม่เห็นกันนี้เราเรียกว่านามขันมีสีขันด้วยกัน4องค์ประกอบสีส่วนประกอบส่วนประกอบองค์ที่หนึ่งของนามขันก็คือเวทนา เวทนาอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีต่างกเวทนาที่เป็นภาษาไทยเนะีเวทนาภาษาบาลีนี้ท่านแปลว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยีกเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์สุ ข, ขเวทนาคือความรู้สึก สุขไม่สุขไม่ทุก ข, ขเวทนาคือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขนี่คือนามขันส่วนประกอบอีกส่วนส่วนที่สองของชีวิตพวกเราคือเวทนาพวกเรามีร่างกายแล้วพวกเราก็มีความรู้สึกด้วยทุกวันนี้เราอยู่กับความรู้สึกกัน เราต่อสู้ดิ้นรนกับความเพื่อความรู้สึกกันทุกวันนี้เราต้องการอะไรเราก็ต้องการความรู้สึกสุขนีเองเราไม่ต้องการความรู้สึกทุกเนี่ยเราจรึงมีการดิ้นรนมีการต่อสู้กันตั้งแต่เกิดมาเลยเกิดมาเราก็ดิ้นหาความสุขหาสุขเขเวทนาดิ้น ดิ้นหนีทุกขเวทนากันพอเกิดมาร้องไห้นี้ก็ทุกขเวทนาเรามีความรู้สึกทุกขขึ้นมาแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ร้องไห้เรียกขอร้องขอความช่วยเหลือจากแม่จากพ่อพอพ่ อ, พอแม่ได้ยินเสียงร้องของลูกก็รู้แล้วว่าลูกของเราทุกขแล้วต้องมาช่วยกําจัดความเท่าเทียมกับลูกเนี่ย ยันทุกข์เพราะหิวน้ําทุกข์เพราะหิวอาหารพ่อแม่ก็เอาขวดนมเตรียมรอไว้ก่อนเลยพอร้องปุ๊บก็ยัดใส่ปากก่อนเลยดูซิว่าจะหยุดร้องมรือไมถ้าถ้าเข้าปากแล้วหยุดร้องก็แสดงว่าอหิวน้ําหรือหิวอาหารถ้าให้แล้วให้กินแล้วแต่ยังร้องอยู่ก็ต้อง ตรวจดูแล้วว่าเป็นอะไรต่อไปมีส่วนไหนของร่างกายเจ็บหรือเปล่ามีแผลหรือเปล่ามีรอยถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออะไรหรือเปล่าเ็ต้องค้นหาดูเพื่อที่จะได้แก้ไขความรู้สึกทุกข์นั้นให้หายไปเพราะถ้ายังไม่หายลูกก็ยังจะร้องอยู่นี่คือ เวทนาเราอยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดเรามีมันมาตั้งแต่วันเกิดคือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอันนี้เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราส่วนที่สองเรียกว่าเวทนาอย่าอย่าเอาภาษาความหมายของภาษาไทยมาใช้คนละเรื่องกันเวทนาแปลว่าสมเพศ น่าสงสารเนเวทนาอันนี้ไม่ใช่คนละเวทนากันศึกษาต้องรู้ว่าสิ่งที่เราศึกษามีความหมายว่าอย่างไรคำนี้คำพูดภาษานี่มันมีหลายความหมายด้วยกันเราเลยต้องมาศึกษาให้มันเข้าใจกันเหมือนเดี๋ยวสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง พอพูดเวทนาเดี๋ยอาจจะไปคิดว่าสงสารใครเหรือไม่ใช่ไม่ได้สงสารใครเวทนากําลังพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกที่สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดผ่านทางร่างกายนมาทางร่างกายเนี่ยเวทนาที่พูดถึงนี้เป็นเวทนาที่มาทางร่างกาย อันนี้คือส่วนประกอบที่สองของชีวิตที่พวกเรามีกันส่วนประกอบที่สามของชีวิตที่เรามีกันคือสัญญาสัญญาขปภาษาบาลีกับภาษาไทยก็คนละเรื่องกันถ้าเราภาษาไทยมาใช้เดี๋ยวก็งงอีกเพราะสัญญาภาษาไทยก็คือการให้คำมั่นสัญญาให้การ มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าสัญญาทำสัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาในขันห้า ส, สัญญาในขันห้านี้แปลว่าความรู้สึกนึกเอมความจำได้หมายรู้เ น, นเวลาเราจำอะไรได้นี่เราเรียกว่าเราใช้สัญญาจำสัญญาเป็นผู้ ทำหน้าที่จำได้หมายรู้ เ, เวลาเราเชื่อมชื่อจำชื่อคนนั้นจาชื่อคนนี้จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เมื่อวานี้เรียกว่าเราใช้สัญญาและนอกจากจำได้เรายังมีหมายรู้คาว่าหมายรู้ก็คือรู้ว่าสิ่งที่เราได้พบได้สัมผัสนี้เป็นอะไร เ, เห็นรูป เ, เห็นรูปคน รู้ว่าเป็นผู้หญิงรู้ว่าเป็นผู้ชายรู้ว่าเป็นแมวรู้ว่าเป็นหมาอันนี้เรียกว่าหมายรู้เป็นหน้าที่ของสัญญาเป็นส่วนประกอบส่วนที่สามของชีวิตของพวกเราเวลาตายเห็นรูปสัญญาก็จะเข้ามาหมายรู้ว่าเป็นรูปอะไร พอรู้ว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็จําได้หรือเปล่าว่ารูปนี้เคยเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่ารูปนี้มีชื่อว่าอะไรบางทีก็จําได้บางทีก็ลืมขึ้นอยู่กับว่าเห็นบ่อยหรือไม่เห็นบ่อยเห็นคนนานๆเห็นสักครั้งหนึ่งนี้อาจจะจําไม่ได้จําชื่อไม่ได้อันนี้คือส่วนประกอบส่วนที่สาม ของชีวิตของพวกเราที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเวทนาก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายเวทนาอยู่ในใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนเป็นฝาแฝดมาเกิดพร้อมกันเป็นฝาแฝดร่างกายเป็นแฝดน้องใจเป็นแฝดพี่พใจเป็นผู้สั่งให้น้องทำอะไรต่างๆคือร่างกาย ร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งต่างๆจากใจส่วนที่องค์ประกอบส่วนที่3 ส, ส่วนที่4คือสังขารความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารภาษาไทยกับภาษาบาลีก็ไม่ใช่คำหมายเดียวกัน เราภาษาไทยเราก็เอาสังขารมาแปลเป็นร่างกายที่เราเรียกว่ารูปในขันห้าต้องเข้าใจว่าสังขาร น, นี้ไม่ใช่เป็นสังขารที่เราใช้กับร่างกายบางทีเราว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยมอันนี้ไม่ใช่สังขารตัวนี้สังขารตัวนี้คือผู้คิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่ง ผู้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดอทั้งวันทั้งคืนคือสังขารพอลืมตาขึ้นมาก็คิดแล้วเฮ้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ต้องไปทำอะไรที่ไหนมีธุะระธุระกับใครมีนัดกับใครหรือเปล่าไม่มีจะทำอะไรดีอยู่เฉยๆดีหรือว่าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดีนี่คือความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขาร เป็นส่วนประกอบที่สี่ของชีวิตของพวกเราสังขารตัวนี้ก็อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายส่วนส่วนประกอบองค์ที่ห้าเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้ก็มีหลายความหมายวิญญาณที่เราอาจจะเคยได้ยินรู้จักคือดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณก็คือเวลาที่ร่างกายตายไปจิตที่เป็นฝาแฝดติดอยู่กับร่างกายก็จะแยกออกจากร่างกายเปลี่ยนจากชื่อจากจิตไปเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ไม่ใช่วิญญาณในขันานะวิญญาณในขัน้านี้คือผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมกูกนิ้นกายของร่างกาย นี่คือวิญญาณวิญญาณในขานานี้เป็นผู้ไปรับรูปจากตารับเสียงจากหูรับกลิ่นจากจมูกรับรสจากลิ้นและรับสัมผัสที่มาสัมกระทบที่ร่างกายเรียกว่าวิญญาณเป็นผู้เป็นเหมือนกับบุรุษไปษณีเป็นผู้ที่เชื่อมต่อจิตใจกับร่างกาย เป็นเป็นเหมือนกับ เ, เวลาที่เราใช้หูฟังเราเสียบเข้าไปในเครื่องเราอยากจะฟังเสียงให้มันใกล้ชิดในหูเราเราก็เลยใช้เครื่องหูฟังกันเครื่องหูฟังนี้ก็มีสายที่ไปเสียบกับเครื่องโทรศัพท์อีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รับฟังเสียงเข้าไปในหูโดยตรง เวลาที่เราอยู่ที่ไหนที่มันเสียงดังมากไม่ค่อยได้ยิ น, ยนได้ยินลาบากเราก็ใช้ที่ใช้หูฟังหูฟังนี้มีสายที่เสียบเข้าไปต่อกับเครื่องโทรศัพท์อันนี้ก็คือเหมือนกับหูฟังของใจหูที่เป็นส่วนที่ไปรับรูปเสียงกินลดมาจากร่างกาย เปรียบเทียบร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่แล้ววิญญาณนี่ก็เป็นเหมือนกับสายห้าสายที่ไปเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเอาเข้ามาที่ใจอีกทีหนึ่งนี่ยพอรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็จะส่งมาผ่านทางสายของวิญญาณทันทีมาทางโสมาทางจักขุวิญญาณเนี่ยจักขุูวิญญาณก็วิญการรับรู้ทางตาโสตาวิญญาณก็คือการรับรู้ทางทางเสียงหรือทางหูรูปเสียงกลิ่นรสผลดธดภาพมันจะเข้ามาที่ใจได้ต้องผ่านทางวิญญาณนี้เองวิญญาณเป็นผู้รับ รูปเสียงกลิ่นลถจากตาหูจมูกเน้นกายของร่างกายมาให้ใจพอส่งมาที่ใจใจก็ส่งไปให้สัญญาเป็นผู้ทาหน้าที่ต่อสัญญาก็จะทำทบทวนโดยว่ารูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้เคยเห็นหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าเคยมีความหมายรู้มาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ ก็ก็ก็ไม่รู้ไปก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็จะก็จะได้รู้ว่าจะเป็นอะไรเช่นบางทีเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างนี้ก็เลยรู้เฉยๆไปก่อนไม่มีความรู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยรู้มาก่อนเคยเคยพบมาก่อน พอรู้แล้วก็จำได้สัญญาก็จะจำได้จำได้ว่ารูปนี้เป็นใครเสียงนี้เป็นเสียงของใครเป็นต้นพอรับรู้แล้วก็จะเกิดความจำได้ว่าจำว่าเป็นใครพอจำได้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้จำได้ทันทีเพราะเวลาเราจำเราจะจำว่าดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบออพอจำได้ว่าเป็นรูปที่ดีเสียงที่ดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้ารู้ว่าหรือจำได้ว่าเป็นรูปไม่ดีเสียงไม่ดีก็เกิดความทุกข์เวทนาขึ้นมา แล้วพอเกิดความทุกข์คะเวทนาหรือสุขขเวทนาขึ้นมาสังขารก็คิดปรุงแต่งตามมาทันทีว่าถ้าสุขก็อยากได้<ม>ก็สั่งให้ร่างกายไปหยิบมาไปเอามาหรือเข้าไปหามันเข้าไปใกล้มันถ้าชอบก็อยากจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ชอบทีนี้สังขารก็เป็นตัวสั่งให้ร่างกายไปทำทางานนะ พอเห็นรูปสวยเห็นกระเป๋าสวยเห็นรองเท้าสวยก็อยากได้นะสังขารบอกว่าไปซื้อไปไปเอามาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสังขารถ้าถ้าสัญญาจุาจำได้หมายรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีก็อยากได้ถ้าจำได้หมายรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากได้บางทีก็ให้สั่งให้ร่างกายเดินหนี ถ้าเดินผ่านกองขยะนี่พอได้สัมผัสกับกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนานก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็เลยสั่งให้ร่างกายบอกเดินหนีซะอุดจมูกเสียนี่นี่คือหน้าที่ของสังขารมันจะทำงานกันอย่างรวดเร็วนี่ที่เรามะที่เล่ามาให้ฟังนี่มันใช้เวลานาน แต่เวลาเป็นจริงนี่มันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลาบเสกพอได้ยินเสียงปุ๊บเวทนาสัญญาสังขารมันทํางานทันทีเลยรวดเร็วมากเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเวลาเราไปนั่งดูลูกสุบแล้วก็บอกมันต้องชักเข้าชักออกแต่เวลามันทํางานมันเร็วจนกระทั่งมองไม่เห็นว่ามันชักเข้าชักออกอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละคือการทํางานของขันห้า ทำร่วมกันร่างกายกับใจทำงานร่วมกันด้วยการใช้ขันห้านี้เป็นผู้ทำงานและการทำงานของขันห้างห้านี้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติมันเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นอนัตตาก็ได้ไม่มีใครมาควบคุมบังคับเราอาจจะคิดว่าเรากำลังควบคุมบังคับ ขันห้าอยู่แต่ความจริงเราอาจจะควบคุมบังคับมันได้บางครั้งบางเวลาแต่บางครั้งบางเวลานี้เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราพยายามทุกวันนี้เราพยายามควบคุมบังคับขันห้าให้มันผลิตแต่สุขเวทนาให้กับเราแต่ทำไมเราไม่สามารถทำได้สาเร็จ ทำได้เป็นพักๆไปเป็นบางช่วงบางเวลาไปแต่บางช่วงก็ห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาไม่ได้หรือสั่งให้ทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาให้หายไปไม่ได้ก็เพราะความจริงของขันห้านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอนัตตา มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครผู้ที่ควบคุมบังคับคือใจนี้บางทีก็ควบคุมได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่เกี่ยวกับธรรมชาติของขันห้าว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นตัวเราของเราไปได้ตลอดเวลามันจะต้องมีเวลาที่มันจะไม่ได้เป็นตัวเราของเราเช่นร่างกายของเรานี่เราอาจจะสั่งให้มันทำอะไรได้เดินได้ยืนได้วิ่งได้กินได้นอนได้ทำอะไรได้แต่เราไปสั่งไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้ ไปสั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่ตายไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอนัตตาเนมันไม่ได้เป็นเราของเรามันเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้มันเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เป็นตัวปรุงที่เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเป็นอะไรไปทำให้ร่างกายเกิดก็เกิด ค, คือดินน้ำลมไฟ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาก็ดินน้ำลมไฟทําให้ร่างกายแก่ก็ดินน้ำลมไฟทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดินน้ำลมไฟทำให้ร่างกายตายก็ดินน้ำลมไฟนี่ล่ะเป็นผู้ทำเรียกว่าเป็นธรรมชาติร่างกายนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราใครเป็นผู้คิดว่าเป็นตัวเราของเราก็คือสังขารเนี่ย สังขารในขัน5นี่แหละเป็นผู้ไปคิดสัญญาเป็นผู้ไปจำว่าเป็นตัวเราของเราแต่เป็นความจำผิดหรือเป็นความเข้าใจผิดเลยทำให้ความผิดความคิดคิดผิดไปจนกว่าเราจะได้มาศึกษามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะมาบอกความจริงให้พวกเรารู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟเราอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของร่างกายนี้เลยเพราะเปลี่ยนแล้วจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเรา ไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้นั่นเองความอยากความต้องการของเราคืออะไรก็อยากให้มันดีไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดอยากให้มันบานไม่รู้โรยเห็นไหมสวยไม่สางบานไม่รู้โรยคำพูดนี้มันมาจากไหน มันก็มาจากสังขารความคิดปรุงแต่งของพวกเรานี่เองทุกคนในใจนี้มีความคิดอย่างนี้ด้วยกันทุกคนได้อะไรมาแล้วอยากจะให้มันบานไม่รู้รวยสวยไม่สางจึงมีการผลิตดอกไม้พลาสติกกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยเนี่ยนะมันถึงแม้มันดูว่ามันไม่มันจะสวยไม่สางบานไม่รู้รวยก็ตามดอกไม้พลาสติกมันก็ยังต้องมี มีเสือ่อมีเสียไปถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะเก่าเพียงแต่ว่ามันเก่าช้ากว่าดอกไม้ที่มาจากธรรมชาติมาจากดินน้ํำลมไฟดอกไม้ที่เราตัดมาบูชาพระนี่อยู่ได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ดูไม่ได้แล้วะนี่เราไม่เห็นธรรมชาติของของขันห้าของร่างกายและของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่ามันเป็นอนิจจงเอมันเป็นอนิจจงรูปเสียงกลิ่นรสผธพระที่เราใช้ร่างกายไปเสพไปสัมผัสนี้มันเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายเหมือนกับขันห้ามันเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาอ่ามันไม่เหมือนเดิมคำว่าอนิจจงก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่บางทีก็เปลี่ยนไปในทางที่เราชอบเช่นตอนที่ร่างกาย เกิดมาใหม่ๆมันก to ็เจริญเติบโตมันก็เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปในทางที่เราชอบมันก็เลยทําให้เกิดสุขเวทนากับการเปลี่ยนนั้นแต่ต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบมันก็จะเปลี่ยนไปในทางแก่ทางเจ็บทางตายพอมันเปลี่ยนไปในทางนั้นเราก็เกิดทุกขาเวทนาขึ้นมาเพราะเราไม่ชอบเราชอบให้มันเกิด จเจริญไปในทางที่เราชอบนะอนนี่คือการศึกษาขันห้าและการศึกษารูปเสียงกลิ่นรสผดถภาที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายนะชีวิตของพวกเราเกี่ยวข้องกันแค่นี้แหละผู้ต่างความจริงถ้าสรุปแล้วเราเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะเราเกี่ยวข้องกับ กับขันฮะเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่การเกี่ยวข้องของเรานี้เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความหลงของความเข้าใจผิดมันก็เลยทาให้ชีวิตมันก็เลยมีแต่เรื่องผิดผิดมาให้เราคอยมาแก้กันถ้าเรารู้ความเป็นจริงของรูปเสียงกลิ่นรส โดะพระรู้ความเป็นจริงของขันห่าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามความเป็นจริงทุกอย่างมันจะทำให้เรานี่ไม่ต้องมาดิ้นรนมาเหน็ดเหนื่อยแต่เรามีความรู้บนบนพื้นฐานของความเข้าใจผิดของความไม่ของความไม่เป็นความจริงของขันห้าของรูปเสียงกลิ่นรส ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่ะเกี่ยวกับขันห้าก็คือเราเข้าใจว่ามันเป็นนิจจังสุขขังหันตานั่นเองนี่แหละคือความเข้าใจผิดเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังคำว่าอนิจจังก็คือไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เ, เรากลับไปเห็นว่ามันเที่ยงมันแน่นอนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราไปเห็นขันห้าว่าเป็นนิจจังไปมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะว่าเป็นนิจังเราก็เลยยึดติดกับความเห็นนี่นี่เห็นวันนี้ก็ต้องพยายามทําให้มันเป็นนิจังให้ได้เวลามันจะเปลี่ยนก็คอยแก้มันคอยแก้มันบางทีก็พอแก้ได้แต่บางทีก็แก้ไม่ได้ช่วงที่แก้ไม่ได้ช่วงนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทุก ทั้งทุกทางเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ทุกทางใจอีกอันหนึ่งด้วยเนี่ยเรามีทุกสองชั้นทุกขเวทนาที่มามาจากทางร่างกายมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มีทุกที่มาจากความอยากของเราอีกอันหนึ่งอันนี้ทุกในใจทุกในใจเพราะว่าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกขึข้นมา อยากให้ขันห้าอยากให้รูปเสียงกลิ่นลดเป็นนิจจังพอมันไม่เป็นนิจจังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกทางใจทุกสองชั้นทุกทางร่างกายทุกทางทุกเวทนาแล้วแล้วยังต้องมาทุกทางใจอีกชั้นหนึ่งด้วยแต่สาหรับผู้ที่ได้ศึกษาความเป็นจริงของขันห้าความเป็นจริงของรูปเสียงกลิ่นลดปฐพะ แล้วดูว่ามันเป็นอนิจจังเวลาที่มันเป็นอนิจจังก็จะไม่ทุกข์ทางใจแต่มันอาจจะทุกข์ทางกายเพราะว่าสุขเวทนาทางร่างกายมันเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาทางร่างกายเช่น э เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยสุขเวทนาที่ได้รับผ่านทางร่างกายก็เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมา แต่ผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจและสามารถสอนใจให้หยุดความอยากให้เวทนาของร่างกายเป็นสุขเวทนาอย่างเดียวได้คือปล่อยให้คือยอมรับเวทนาที่ไม่ใช่เป็นสุขเวทนาด้วยเวลาสุขเวทนาทางร่างกายหายไปแล้วเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมา ถ้ามีความรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้สิ่งที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับมันก็คือเราก็ต้องเฉยๆไปกับมันให้รับรู้ไปเฉยๆอย่าไปเกิดความอยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปแล้วใจจะไม่ทุกข์ แล้วความทุกข์ที่แท้จริงที่หนักหนาสาหัสนี้ก็คือความทุกข์ทางใจนี่เองไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราหยุดความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่กระเทือนใจเราจะไม่ทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนอยู่กับมันได้ถ้าเราทำใจให้อยู่กับมันได้แล้วมันจะไม่มาสร้างความลำคาญใจให้กับเรา แต่ถ้าเรามีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราทําให้มันเป็นตามที่เราอยากไม่ได้อันนั้นแหละเราจะสร้างความลําใจสร้างความลาคาญใจให้กับใจเราเองไม่ใช่ทุกขเวทนาทางร่างกายที่มาสร้างความลาคาญใจให้กับเราแต่ความไม่นิ่งเฉยของใจเรานี่แหละเป็นตัวสร้างความลาคาญใจสร้างความทุกขทรมานใจให้กับใจของเรา ก็คือความอยากต่างๆนี้เองความอยากให้รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะความอยากให้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสันขันวิญญาณเป็นนิจจังนี่เองเป็นสุขเวทนาอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนี่คือการศึกษาเรื่องขันห้านี่มาศึกษาตรงนี้ศึกษาให้รู้ว่า รูปเสียงกลิ่นรถที่เข้ามาทางตาหูจมูกมือกายแล้วมาผ่านการรับรู้ของขันห้านี้มันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีทั้งสุขขเวทนามีทั้งทุกขเวทนามีทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศพยายามมองให้เห็นขันห้า เห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วชีวิตเราจะสบายขึ้นเพราะเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศใช่ไหม <laughs> เพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ <laughs> ถ้ามันจะตกตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวพอฝนตกเราก็ดลฝนกันเท่านั้นเองเราไม่ไปสั่งให้หยุดฝนห้ามหยุดห้ามตกตกไม่ได้ <laughs> เรารู้ว่าเราทาไม่ได้ เราก็เลยปรับตัวเราให้รับกับเหตุการณ์ถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้มีร่มกลางก็กลางถ้าไม่มีร่มกลางเปียกก็เปียกก็มเห็นเป็นอะไรเปรียกอาบน้ําก็เปียกอยู่แล้วเปียกฝนมันก็เปียกเหมือนกันผ้าก็ซักเวลาซักผ้าผ้ามันก็เปียกเหมือนกันพอเรายอมรับความจริงของสถานการณ์ได้ ใจเราก็ไม่ลาคานใจเราก็ไม่ทุกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันเป็นเหมือนดินน้ําำลมใสความจริงมันมาจากดินน้ําำลมใสรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทํามาจากดินน้ําำลมใสร่างกายที่ มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟมันก็เรื่องดินฟ้าอากาศดีๆนี่เองดินก็ดินน้ําลมไฟมันดินก็ดินดินดินในธาตุสี่ดินน้ําลมไฟกับดินฟ้าอากาศมันก็ดินอันเดียวกันนะฟ้าก็คือออากาศเนี่ยท้องฟ้าก็มีอากาศหายใจมีลมหายใจ ดินน้ำน้ำฝนเนี่ยดินฟ้าอากาศก็มีฝนฟ้ามีฝนตกมีแดดออกมีความร้อนความร้อนก็ไฟมันก็เรื่องของธาตุสี่ทั้งนั้นเนทางาภาษาพระท่านเลยเรียกโลกที่เราอยู่นี่ว่าเป็นโลกธาตุเนี่ยโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นดินน้ำลมไฟหมดยกเว้น นา ม, มาขันเทนั้นคือจ่ายที่ไม่ใช่เป็นดินน้ํำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้เป็นดินน้ําลมไฟเป็นส่วนประกอบของาธาตรู้แต่เป็นส่วนที่มาเกาะติดอยู่กับาธาตุสีคือดินน้ําลมไฟก็เลยต้องรับกับสภาวะของดินน้ําลมไฟไปโดยปริยายเพราะสุขเวทนาทุกขเวทนาทขขข ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็เกิดจากการแปรปวนของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟคือร่างกายนี้เองร่างกายนี้แปรปวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อันนี้มันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาต่างๆขึ้นมาพอได้กินข้าวอิ่มก็เกิดสุ ข, ขเวทนาเข้ามาแทนที่นี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีเราก็ทำเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่บางทีก็เปลี่ยนไม่ได้เวลาที่เปลี่ยนไม่ได้เราต้องรู้จักหยุดคืออย่าไปอยากเปลี่ยนพอต้องรู้คาว่าพอหรือว่าถึงขีดนี้แล้วเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราพยายามจะทำมันจะทำให้เราทุกไปเปล่าๆําคาญใจไปเปล่าๆ เราจะไปผลิตความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวคือเราจะไปผลิตความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราทุกข์ในใจนี้เราเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจสี่ต่างกับทุกขเวทนาที่เป็นทุกข์ในขันห้าทุกขในขันห้านี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับทุกขในอริยสัจสี่ทุกขในขันห้าเราแก้ไม่ได้เรา ไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่ทุกในอริยสัจ ส, สีเราแก้ได้เราเปลี่ยนได้เพราะทุกในอริยสัจ ส, สีเกิดจากความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรารู้ว่า ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หยุดความอยากนี้สิสอนให้ใจ ย, ยอมรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับเรายอมรับกับดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศฝนจะตกหนักหรือตกเบานี่เราก็เฉยได้เราก็ควรจะทำใจให้เฉยกับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเหมือนกันมันเป็นอย่างเดียวกันเป็นอันเดียวกันความเจ็บไข้ได้ป่วยคือการแปรปรวนของธาตุสีดินน้ำลมไฟในร่างกายส่วนฝนฝนตกแดดออกนี่มันก็เป็นการแปรปรวนของธาตุสีดินน้ำลมไฟที่อยู่ข้างนอกร่างกายมันก็เป็นอันเดียวกันเป็นธรรมาชาติอันเดียวกัน เป็นอนิจจังเหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปวนมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาเราต้องยอมหัดสอนใจให้ยอมรับทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นสุ ข, ขเวทนาและส่วนที่เป็นทุกขเวทนาปล่อยให้มันมาตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยของมัน วันนี้มันจะส่งทุกเวทนามาเยี่ยมเยียนก็ทักทายมันไปพรุ่งนี้มันจะส่งสุ ข, ขเวทนามาเยี่ยมก็ทักทายมันไปเอยินดีต้อนรับทุกท่านเอไม่รังเกียจไม่เลือกที่รักมักที่ชังเออวันนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยินดีต้อนรับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นไข้หวัดอ่ะต้อนรับมันท่หน่อยมันมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยมันสลับกันมาเยเวทนา สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนานี้มันมันผัดคิวกันเข้ามาเยี่ยมเยียนเรานี่เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันเคี่ยวิธีปฏิบัติก็คือเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นทุกขเวทนามาหาเราเราบอกให้ hey, ไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นสุ ข, ขเวทนาเหมือนสามก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาเข้าผัดมาเปนไม่ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก๋วยเตี๋ยวมันหมดนมีแต่ข้าวผัดอย่างเดียวจะเอาไม่เอา บางทีสั่งมาแล้วสั่งก๋วยเตี<พ>๋ยวมันเอาข้าวผัดมาให้บางทีก็สั่งมันได้บอกไม่เอาเราไม่ได้สั่งข้าวผัดเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาคนสั่งก็ไปเปลี่ยนเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ได้แต่บางมันก๋วยเตี๋ยวมันหมดคนไอไอเด็กเสิร์ฟมันก็บอกไม่มีมีแต่ข้าวผัดอย่างเดียวจะเอาไม่เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราที่มันแปรปรวนอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของเราตลอดเวลาหรอก วันนี้ตั้งเป้าหมายทีดีว่าจะทํานู่นทํานี่เดี๋ยวเกิดเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้ทําให้ทําไม่ได้ขึ้นมาก็มีพอทําไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้ก็ทุกข์ขึ้นมาเอไม่สบายใจเสียใจขึ้นมาน้อยอกน้อยใจขึ้นมาสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุเพราะไม่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมาสัมผัสรับรู้ด้วยว่า มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเนี่ยสองตัวนี้จำไว้ให้ดี อ, อนิจจังก็คือมันต้องเปลี่ยนมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุขวันนี้แล้วมันจะไม่สุขพรุ่งนี้ก็ได้หรือสุขตอนเช้าแล้วเดี๋ยวตอนสายมันสุขหายไปก็ได้ทุกเข้ามาแทนที่ก็ได้สุขตอนเช้าพอไปเดินเดินหกลม้มลื่นลน้มเจ็บเท้าขึ้นมาสุขตอนเช้าก็หายไปแล้วทุกตอนสายก็เข้ามาแทนที่แล้ว นี่คือเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตของพวกเราในจิตใจของพวกเราเราต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีสามวันดีสี่วันไข้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักควบคุมใจรู้จกักสอนใจไม่ให้ไปหวังไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มันมาหาเรา ปล่อยให้มันมาเหมือนกับดินฟ้าอากาศวันนี้ฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปหนาจะออกก็ปล่อยมันออกไปลมพายุจะมาก็ต้องปล่อยมันมามีใครไปห้ามลมพายุได้ตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนียพายุรุนแรงไฟไหมไม่รู้เท่าไหร่มีใครไปห้ามมันได้ไหมมันมาก็ต้องปล่อยมันมาทำได้ก็คือเท่าที่จะทำได้ดับไฟเท่าที่จะดับได้ จับไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไม่ไปแต่ถ้าเราไม่ไปอยากเราก็ไม่ทุกข์กับมันทุกข์ก็น้อยทุกข์ก็ยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์เลยได้เห็นว่านี่มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะสามารถมาควบคุมบังคับมันได้เมื่อเปลี่ยนมันได้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจ์นี่คือ สิ่งที่พวกเราไม่เห็นกันไม่รู้กันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าสิ่งในโลกนี้เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเห็นไมได้อะไรมาปั๊บก็อยากจะให้มันเป็นนิจจังใช่ ห, หถาวรรักกันไปจนวันตายแล้วสุขกันไปจนวันตายแต่มันไม่มีหรอก เดี๋ยวก็ทุกแล้วเดี๋ยวก็ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้อิะนอนิจจังก็เปลี่ยนไปแล้วนิสัยเคยดีก็เปลี่ยนไปไม่ดีก็มีใจเย็นก็กลับกลายเป็นใจร้อนขึ้นมาก็มีอันนี้เป็นเรื่องของอันิจจังที่เราต้องพยายามสอนใจมองทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นอั น, นิจจังอย่าไปมองว่ามันเป็นนิจจัง เพราะว่ามันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่อเรามองว่ามันเป็นนิจจังเราก็หวังว่ามันต้องเป็นนิจจังพอมันไม่เป็นนิจจังขึ้นมามันก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนนะคร น, นี้เขาชอบเราวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเกลียดเราก็ได้ ถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนพอเขาเปลี่ยนไปจริงๆเขาไม่ชอบเราขึ้นมาจริงๆล้วก็บอกกูรู้แล้วเนี่ยก็จะได้ไม่เสียใจไม่ข่าตัวตายเอาจริงๆที่ฆ่าตัวตายเสียใจเพราะไม่คิดไว้ก่อนว่าเขากลับเขา<อ>เคยรักเราขเขากลับจะมาเกลียดเราก็ได้พอเขามาเกลียดเราคนที่รักเราแสนรักพอเขามาเกลียดเราเนี่ยโหเหมือนกับล่มสลายชีวิตเรานี่ล่มสลายไปเลย เพราเราฝากความสุขของเราไว้กับความรักของเขานี่พอความรักของเขาหายไปมันเหลือแต่ความเกลียดชังทีนี้ก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่มีความสุขก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่าเสียใจมากเพราะไม่มองว่ามันเป็นอนิจจังมองไปมองว่ามันเป็นนิจจังนี่แหละคือการศึกษาขันห์เพื่อให้เรา มารู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องผ่านทางขันห้าคือรูปเสียงกล็ดลอดนี่มันเป็นอนิจจังทางนั้นและตัวขันห้าเองก็เป็นอนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันไม่ไปออกรับรูปรูปเสียงเกลด็ดลอดในใจมันก็ยังเปลี่ยนในสังขารมันก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องทําให้ทุกข์ขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรมาทําให้ทุกข์จากข้างนอกมาคิดถึงคนที่เขาเกียดเราขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาอีกละมาคิดถึงคนที่เขากันแกล้ง <c oughs> เราเขาเบียดเบียนเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกละแล้วลบางทีก็ห้ามมันไม่ได้บอกไม่ให้มันคิดมันไม่ให้มันคิดมันก็ไม่มันก็ไม่ยอมหยุดคิดสักที แต่เราโชคดีเนี่ยที่เราได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีที่จะควบคุมขันห้าของเราได้ในในระดับที่ทําให้มันไม่มาสร้างความเสียหายให้กับเราคือถ้ามันคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความทุกข์ท่านมีวิธีที่หยุดความคิดเหล่านี้ได้ะ ไม่ให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมบังคับไม่ให้มันให้สังขารมันหายไปตลอดยังไม่ทําไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระนั้นก็ห้ามสังขารไม่ได้แต่สามารถที่จะจัดการกับสังขารความคิดปรุงแต่งได้เช่นเวลาที่มันคิดมากทําให้ฟุ้งซ่านก็หยุดมันได้มีเครื่องมือที่จะทําให้มันหยุดคิดได้ก็คือ ให้มันให้มันหยุดคิดด้วยสติให้มันไปคิดถึงอารมณ์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทำให้ความคิดไม่ไม่ต่อยอดคือให้คิดถึงอารมณ์ของกรรมฐานสี่สิบอารมณ์นี้ถ้าเรามีกรรมฐาน อ, อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาเป็นผู้คอยใช้ในการหยุดความคิดเราก็หยุดความคิดที่ไม่ดีได้ คิดความคิดที่ทําให้เราทุกข์ได้เช่นเราทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ถ้าเรามีกรรมฐานเช่นมีคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธแทน ท, ที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงพระพุทธเจา้าแทนพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวความคิดที่คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็หายไปอความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็หายไปอ่นี่นี่คือ สิ่งที่พวกเราไม่รู้กันว่าเราสามารถที่จะมาควบคุมหนามขันของเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับที่เราควบคุมร่างกายของเราได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็พอที่จะทำให้กําจัดปัญหาต่างๆที่มันมาสร้างให้กับใจของเราได้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา มาหัดหยุดความคิดปุงแต่งเพราะตัวนี้สาคัญที่สุดเนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ทางใจขึ้นมาพอมันคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนิจจังพอมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นคนรักเราจะตายอย่างนี้เราก็อยากจะให้เขาไม่ตายแต่อยากยังไงเขาก็ตายในที่สุดเพราะร่างกายของเขาเป็นอนิจจาร่างกายของเขาเป็นอนัตตาไม่มีใครไปห้ามไม่ให้มันตายได้พอถึงเวลาที่เขาจะต้องตายเขาก็ต้องตายแต่ใจของเราคือสังขารความคิดของเรายังอยากให้เขาไม่ตายอยู่ ก็เลยเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันกินไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับกันเนี่ยแต่ถ้าเรามาฝึกใจมาควบคุมสังขารกันได้พอไปคิดไปอยากให้เขาไม่ตายเราก็หยุดมันเสียเพอหยุดคิดถึงความตายของเขาเราก็ไม่ทุกข์ไปกับเขาแต่มันเป็นการหยุดชั่วคราว พอเราไม่พูดโทดเดี๋ยวก็คิดไปถึงความตายของเขาอีกก็ไม่สบายใจขึ้นมาอีกนก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราหายจากความไม่สบายใจเกี่ยวกับความตายของเขาก็คือต้องเปลี่ยนสัญญาของเราเราไปจำว่าเขาเป็นนิจจังในความจริงเขาเป็นอนิจจังเราต้องมาเปลี่ยนความจำได้หมายรู้ของเราว่าเราอย่าไปหมายรู้ว่าเขาเป็นนิจจง เราต้องมาหมายรู้ว่าเขาเป็นอนิจจังเขาไม่เที่ยงเขาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาเปลี่ยนตัวนี้เสียเปลี่ยนตัวสัญญาเปลี่ยนตัวอนิจจังให้มันเปลี่ยนตัวนิจจังให้มันเป็นอนิจจังชอบมองอะไรว่าเป็นนิจจังอยู่เลยเพราะหมายรู้อย่างนั้นหมายรู้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวสัญญา ด้วยการดูเอาความจริงมายืนยันว่ามันนิจจังได้อย่างไรมันเกิดแก่เจ็บตายเห็นกันชัดๆอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกคนมีใครไม่เกิดแก่เจ็บตายกันบ้างเนี่ยสอนมันไปเรื่อยๆพร่ำสอนมันไปเรื่อยๆอัดมันเข้าไปเรื่อยๆเอาอนิจจังเข้าไปในใจเดี๋ยวไอ้ตัวนิจจังมันหายไปเพราะตัวนิจจังมันเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา อัดมันเข้าไปสามตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตาเท่านั้นเองนี่คือขอบวนการของการแก้ความทุกข์ทางใจที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเนี่ยไม่มีใครรู้จักวิธีนี้ทุกคนนี้ทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ทุกเพราะความอยากให้เขาเป็นนิจจังอัตสุขขังอัตตาน่นเองแต่พระพุทธเจ้าสองคนเพระว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พวกเราทุกข์กันที่พาพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จักกี่รอบนี้ก็เพราะความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ย เ, เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตามันถึงอยากจะกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อย กลับมาแล้วก็มาทุกข์มาทุกข์กับอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปเสียงกลิ่นรสแต่ก็ไม่เห็นกลับไปกลับไปพยายามที่จะไปแก้ให้มันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมคนมาเกิดมาทุกยุคทุกสมัยนี่พยายามคิดค้นหาวิธีทําไงไม่ให้แก่กันใช่หไหมทําไงไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันทําไงไม่ให้ตายกัน โอยมียาหลากหลายชนิดยาอายุวัฒนะกินแล้วจะไม่ตายกินแล้วจะไม่เจ็บกินแล้วจะไม่แก่แล้วมันแก่เจ็บตายกันหรือเปล่ามันก็แก่เจ็บตายกันทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่ดึกดําบรรนั้นเห็นไหมเขาไปค้นพบมัมมี่ที่เขาฝังอยู่ในอยู่ในโรงศพเนี่ยมันมีอายุเป็นกี่พันปีฮยุคนั้นเขาก็มีเกิดแก่เจ็บตาย ยุคเรามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมันเปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติเหมือนกับเราไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไม่ได้ยุคก่อนสมัยก่อนกี่หมื่นกี่แสนล้านปีมันก็มีฝนตกแดดออกเหมือนยุคนี้แหละมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาแต่เราไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตาเราก็เลยทุกข์กันเท่านั้นเองนี่คือวิธีแก้ปัญหา ของการที่เรามามาเจอมาสร้างปัญหามาสร้างความทุกข์ของเราสร้างจากความหลงสร้างจากความไม่รู้ความจริงเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวซึ่งนานๆจะมีคนฉลาดแบบพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง ในยุคที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์กันไปอย่างนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับร่างกายของเราทุกข์กับร่างกายของเขาทุกข์กับความแก่เจ็บตายของเราทุกข์กับความแก่เจ็บตายของคนอื่นและพอตายก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่เราอยากจะได้มานี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ได้มากี่รอบทุกกรรมมันกี่รอบพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ดวงวิญญาณนี้เวลาร่างกายตายไปขันห้าก็แยกออกจากกันเพราะรูปประขันมันมันตายไปมันกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟตาหูจมูกนิ้นกายที่วิญญาณมาเกาะมันไม่มีที่ให้มันเกาะแนละ้วมันก็เลยแยกออกไปตอนนั้นจิตใจก็กลายเป็นดวงวิญญาณเราเรียกชื่อเหมือนว่าดวงวิญญาณ ในดวงวิญญาณ น, นั้นก็ยังมีขันธ์สี่อยู่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทาไม่สามารถรับเวทนาผ่านมาทางร่างกายได้ช่วงนั้นดวงวิญญาณก็เลยอาศัยมโนภาพเป็นตัวเป็นตัวแทนร่างกายตัวแทนที่ไปหารูปเสียงกลิ่นลดมาให้ให้ให้จิตใจเสพต่อไป เียเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนเวลาเรานอนหลับเราก็มีความฝันมาให้เราเสพใช่หมฝันถึงเรื่องนั้นฝันถึงเรื่องนี้ฝันบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายอะไรทำให้ฝันดีทำให้ฝันร้ายฝันดีก็คือบุญที่เราทำไว้นี่และเราเวลาเราไปทำความดีต่างๆมันก็บันทึกภาพอันความดีไว้ในความทรงจาของเรา เวลาเราไปทำไม่ดีไปทำบาปมันก็บันทึกภาพที่ไม่ดีฝังไว้ในใจของเราพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายที่จะหารูปเสียงกินรสมาให้เราได้เสพสัมผัสเราก็อาศัยภาพที่เราไปบันทึกมาตอนที่เราไปทำความดีทำความชั่วกันนั่นเองอเวลาที่ภาพของความชั่วโผลกก่ขึ้นมาเราก็เลยฝันไม่ดีกัน เวลาภาพของความดีโผ่ขึ้นมาเราก็ฝันดีกันเนี่ยเวลาเรานอนหลับนี่เราฝันดีเพราะบุญที่เราทาความดีที่เราทาเวลาที่เราฝันร้ายก็เพราะว่ามันเกิดจากบาปที่เราทำกันเราเก็บภาพที่ไม่ดีต่างๆไว้ในใจเราพอเราไม่มีร่างกายหาภาพมาให้เราเสพเราก็เลยอาศัยภาพที่เราไปบันทึกเอาไว้ เวลาเรานอนหลับเราจึงมีฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างก็เพราะเราไปทําดีบ้างไม่ดีบ้างมานั่นเองนั่นแหละเวลาที่ไม่มีร่างกายตอนที่ตายตอนที่ร่างกายตายไปแล้วใจใกลายเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณมันก็จะอาศัยภาพเหล่านี้มาเสพถ้ามันมีแต่ภาพดีๆให้เสพแล้วก็เรียกว่าสวรรค์เป็นเทวดาดวงวิญญาณนั้นก็เป็นเทวดาไป ถ้าไปได้ภาพที่ไม่ดีมาเสพมันก็เรียกว่าบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไปแล้วพอภาพที่มันบันทึกไว้หมดมันก็มาหาร่างกายอันใหม่มารอรับร่างกายอันใหม่เพราะมันยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เพราะยังไม่ได้ถูกกําจัดด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็จะพาให้กับมาเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า ที่จะมาสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจเรามาหานี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปหามันเราคิดว่ามันเป็นสุขแต่ความจริงมันทุกข์เราจรึงทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเราคิดว่าเราไปหาความสุขกันแต่สิ่งที่มันเป็นความสุขความจริงมันเป็นความทุกข์นยตอนที่เราหามาใหม่ๆเราไม่รู้ไงเพราะเวลามาใหม่ๆนี้เขาเอาความสุขมาห่อไว้มาบังไว้ พอเราได้ของนั้นมาแล้วเนะี่ยพอแกะกล่องออกไปถึงจะเจอความทุกข์อยู่ซ่อนอยู่ในกล่องนั้นอีกทีเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วเห็นก็จําไม่ได้ลืมชอบลืมเพอกล่องนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนกล่องใหม่เพะคนนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่บางทีเปลี่ยนคู่กันไม่รู้กี่สิบคนเปลี่ยนกันอยู่นั่นเน่ะมันก็เหมือนกันทุกคนอ่ะมันก็สุขตอนต้นแล้วก็ทุกตอนตอนไม่กี่วันหลังจากนั้น พอสุขที่หุ้มห่อไว้หายไปทุกขก็ตามมาทันทีเพราะมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าถึงมาสอนให้พวกเรามาพิจารณาขันธ์ห้าพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรามันก็เป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาอย่าไป อย่าไปอาศัยมันอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราให้มาหาความสุขที่มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่มีอยู่ในใจเราดีกว่าความสุขนั่นก็คือความสงบนั่นเองที่เราสามารถทำให้มันเป็นนิจังสุขขังอัตตาได้ถ้าเรามีเครื่องมือสองชนิดคือมีสติมีปัญญาเราจะสามารถควบคุมบังคับให้ใจของเรานี้ผลิตแต่ความสงบเพียงอย่างเดียว เมื่อเราสามารถตฤิตความสงบเพียงอย่างเดียวใจของเราก็จะมีความสุขเพียงอย่างเดียวเนี่ยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าจากพระ พ, พระพุทธศาสนาถ้าไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือคําสอนของป้าอริยสงสาวกทั้งหลาย ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากตัวแทนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นตายรักรู้ว่าลาบยศเสน่สนต่างๆในโลกนี้เป็นตายรักษรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการหารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นตายรักคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นอย่าไปอาศัยมัน อาศัยมันแล้วจะผิดหวังบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจทุกใจไปหวังในสิ่งที่เราหวังได้ดีกว่าคือหวังให้ใจสงบดีกว่าไปทําใจให้สงบด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้นี่เป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราให้เราสร้างสติสร้างปัญญาสติก็พุทโธนีบริกรรมพุทโธควบคุมความคิดหยุดความคิด ปัญญาก็คือตายลักษ์นี่เองให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายลักษ์จะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆพ อ, อความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจถูกกำจัดด้วยตายลักษ์แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สงบใจก็จะสงบไปตลอดให้ความสุขกับใจไปตลอดเป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอันตร่ พอมได้พบกับนิจจังสุขังอนตาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดมาหาทุกอนิจจังทุกขังมาหาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์ตายต่อไปใจก็หลุดพ้นใจก็พบกับความสุขกันยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวร เกิดจากการที่เรามาศึกษาเรื่องขันห้ากับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้เท่านั้นเท่านี้เนะี่ยวิชาของธรรมะให้รู้แค่นี้ให้รู้จักขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้จักว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ไปเสพกันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้เลิก เจ็มันเลิกใช้มันแล้วมาหาสิ่งที่มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการมีสติและปัญญามาสร้างสติมาสร้างปัญญากันพอมีสติมีปัญญาแล้วต่อไปจิตก็จะสงบตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่ไม่สงบไม่มีวันไหนที่มันจะทุกข์อีกต่อไป นี่คือเรื่องที่จะนำมาฝากในวันนี้คือเรื่องของขันห้าที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาและรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาและก็เรื่องของความสุขในใจคือความสงบที่เป็นนิจจังสุขขงังอัตตาที่พวกเราควรที่จะเข้าหากันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราภิริปุเรนติสักลัง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 สัพพโรโควินาสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีฆายุโกผวะอภิวาธนสีลิสานิจจังวุทธาปะจายโนจตารโหธรรมาวะทาติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครฟังทำแล้วยังสงสัยยังไม่เข้าใจอยากจะถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวช่วงหน้าใหม่ไม่มีหลังใหม่ถ้าเลิกประชุมแล้วก็จบใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในตอนนี้ไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทางสามร้อยหกสิบห้ายูทูสามรอยี่สบเอ็ดวิทยุออนไลน์สิบปดรับฟังบนข่าวห้าสิบเก้ารวมเจ็ด้อยหกสิบสามค่ะถ้ามีคำถามทางบ้านก็ส่งเข้ามาก่อนเลยก็ได้คำถามจากคุณสุวิทย์ กับนมัสการครับผมจเจริญสติอยู่ตลอดมีอิอเบกขาและมีความรู้สึกว่าเบื่อหนายหลายอย่างถือว่าถูกต้องไหมครับก็เบื่อแบบไหนเนี่ยเบื่อแบบสุขก็ถูกต้องถ้าเบื่อแบบทุกข์ก็ไม่ถูกบางทแบบเบีเบื่อแบบเบื่ อ, อ, อบเบื่ออยากอยากเบื่อเพราะจําเจซ้ำซากอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องเบื่อเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง แล้วก็ต้องมีอุเบกขามีความสงบมันถึงจะเบื่อแบบแท้จริงได้ถ้าเบื่อแบบคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปลงคิดว่าสุกใหม่ก็อยากขึ้นมาใหม่ตอนนี้เบื่อมันเพราะจำเจเดี๋ยวพอไม่ได้เจอมันสักพักก็คิดถึงมันอีกแล้วอยากจะได้มันขึ้นมาอีกแล้วเห็นต้องเบื่อด้วยปัญญาเบื่อด้วยสมาธิ คือเห็นว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้อย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าเบื่อจริงมันต้องเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนมันถึงจะเบื่อจริงๆมันถึงจะตัดจริงๆถ้ามันเพียงแต่เบื่อเพราะคิดเพราะจําเจซ้ําๆนี้มันไม่ใช่เบื่อจริงเดี๋ยวก็พอไม่ได้เจอมันไม่ให้สัมผัสกับมันสัก พ, พักเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่ คนที่มาบวชแลด้วเสกก็อย่างเงี้ยเบื่อเบอื่ออย่างๆพอเบอื่อก็มาบวชพอมาบวชแล้วเดี๋ยวก็กลับไปคิดถึงมาอีกนะอยากขึ้นใหม่อีกนะเสกไปอีกเนะี่ยชายสามบวชสี่บวเนะี่ยเบื่อแบบเบื่อแบบเบื่อเบื่ออย่ากๆถ้าเบื่อจริงนะมันไม่ไปมันต้องมีความสุขอย่างใหม่มาทดแทนความความสุขแบบเก่า มันถึงจะเบื่อจริงเบื่อแบบไม่กลับถ้าเบื่อแล้วกลับนี่ยังเบื่อปลอมอยู่คำถามจากคุณธนากรมีสี่คำถามค่ะข้อหนึ่งขอโอกาสครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้สมาธิและจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ได้สมาธิชาญรู้เสียงเหมือนกินข้าวนะกินข้าวแล้วรู้แม้ว่าอิ่ม นั่สมาธิมันก็ทําให้ใจอิ่มเหมือนกันถ้านั่งแล้วยังไม่อิ่มก็ยังแสดงว่ายังไม่ถึงเไงนั่งไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวพอมันมันถึงแล้วมันก็รู้เองเหมือนกินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอกินเสร็จพอมันอิ่มมันก็รู้เองว่ากินอิ่มแล้วกินไม่ลงแล้วไม่กินแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นสันทิฏฐิโกรเรื่องของการปฏิบัตินี้ต้องสัมผัสรับรู้ด้วยตนเอง คนอื่นพูดยังไงก็เป็นการบอกเล่าเป็นการจินตนาการไม่เหมือนของจริงเองั้นก็พูดได้เท่า น, นี้แหละคุณต้องพบเองแล้วเมื่อพบแล้วก็จะรู้เองเหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วก็รู้เองไม่ต้องไปถามคนอื่นพี่ผมอิ่มรอยัง<า>เคยถามคนอื่นไหมว่าไม่ถามแต้อวถามเรา คำถามข้อที่สองความโกรธจะมีผลกระทบต่อการเจริญฌานหรือเปล่าครับโกรธมันก็พูดโทรไม่ได้เลยมันก็นั่งคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราโกิด mm hmm. ดีไม่ดีทนนั่งไม่ไหวจะไปอยากจะไปตีหัวเขานี่มันก็ต้อง <c oughs> <c oughs> จะไปนั่งสมาธิได้ยังไงยังต้องแผ่เมตตาเวลาโกรธคือให้อภัยเขาเขาทําอะไร้เราแล้วเราไม่พอใจเราต้องอให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกัน พอให้อภัยแล้วใจก็จะหายโกรธพอหายโกรธแล้วกลับมาภาวนาต่อได้คำถามข้อที่สามเมื่อมีอารมณ์โทสะและรู้สึกหนักภายในแต่ไม่แสดงออกทางกิริยาบางครั้งก็คุมได้บางครั้งก็ฟุ้งซ่านควรแก้ไขยอย่างไรเมื่อถูกอารมณ์โทสะกระทบครับก็ใช้สตินะหรือใช้ปัญญา ถ้าใช้สติใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติเพราะสติมันง่ายเหมือนใช้ยาหม่องเนี่ยามายาหม่องนี่เอามาทูๆก็เสร็จละถ้าใช้ปัญญาต้องไปให้หมอวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรต้องใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดไหนอะไรมันยากยาเห็นเบื่องต้นนี้แก้ปัญหาด้วยการใช้ first aid ใช้แบบฉุกเฉินแก้ไขแบบฉุกเฉินใช้พุโทโธลลยไปเลยพอเกิดกอาวมณมไม่ดีโกรธใครขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธพอไม่คิดตั้เดี๋ยวความโกรธก็สงบตัวลง คำถามข้อสุดท้ายการคุมใจเมื่อถูกโทรศะกระทบภายในและภายนอกควรวางอารมณ์อย่างไรครับก็นี่แหละก็ต้องใช้สติวางอารมณ์ไม่ได้เพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้เราจะไปวางอารมณ์ได้ยังไงเราต้องใช้สติควบคุมอารมณ์วางอารมณ์ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็จะนิ่งเฉยได้คำถามจากคุณวารี เมื่อเช้ามีพระธุดงค์เดินผ่านหน้าบ้านท่านบอกว่าขอปัจจัยซื้ออาหารโยมก็บอกว่าเคยได้ฟังพระท่านเทศถ้าให้พระจับเงินบาปก็เลยบอกท่านว่าขอใส่บาตรน้ํากับขนมท่านก็บอกได้แล้วยมจะบาปหรือเปล่าคะไม่บาปหรอกพระนะบาปพระไปขอคนที่เขาไม่ได้ปวานาหรือเป็นญาติไม่ได้ พระมีหน้าที่บินธบาะเนี่ยเป็นพระธุดงก็ต้องบินธบาะสิธุดงควัตก็คือการบินธบาะเป็นวัดไม่ใช่การของเงินเป็นวัดเนี่ ย, ยนี่ไม่ใช่พระธุดงแล้ว <laughs> พระของเงินแล้วพระธุดงไม่ของเงินใครพระธุดงท่านถือกฎข้าธุดงควัตคือบินธบาะเป็นวัดเนี่ย คำถามฝากถามจากบนข่าวค่ะเมื่อกําหนดจิตสม่ําเสมอระหว่างวันทําให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงเห็นความโกรธอิจฉาเกลียดโลภได้ชัดขึ้นจึงเกิดความไม่ชอบใจด้วยแต่เมื่อเห็นสักพักก็จบก็หายจะทําอย่างไรให้ไม่รู้สึกเสียใจที่เรามีความรู้สึกเหล่านี้ก็เนี่หละก็ต้องใช้สติดูเฉยๆไม่พอ ดูแล้วถ้ารู้ว่าอารมณ์ไม่ดีก็ต้องใช้สติกําจัดมันหรือปัญญาขั้นที่สองขั้นตอนการําจัดด้วยสติก่อนพอมีอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธแบบหยุดมันไปพอเราหยุดด้วยสติแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทําให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงถ้าเราใช้หลักคําสอนของพรพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเกิดจากความอยากของเรา เราก็ต้องลดละความอยากต่างๆของเราให้น้อยลงไปแล้วอารมณ์บูด ต, ต่างๆก็จะน้อยลงไปต่อไปก็จะไม่มีอารมณ์บูดเกิดขึ้นอีกในใจต่อไปอคำถามจากชุนคุณจินครอบกับท่านอาจารย์ครับขอโอกาสครับดวงวิญญาณขันศี4ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณดวงอื่นได้อย่างไรครับเพราะเหมือนเป็นโลกฝันของตัวเองเท่านั้น คนที่ก็มีอุปจาระสมาธินี้เขาสามารถส่งจิตติดต่อกันได้พระพุทธเจ้าแสดงทำให้เทวดาได้เทวดาก็มีขันธ์สี่พระพุทธเจ้ามีขันธ์ห้าแต่ไม่ได้ใช้ร่างกายก็เหมือนใช้ขันธ์สี่ขันธ์สี่ที่มีพลังคือมีอุปจาระสมาธิถึงจะสามารถติดต่อกันได้ถ้าเปรียบเทียมก็เหมือนโทรศัพท์ที่มีซิมกับไม่มีซิม โทรศัพท์ที่ไม่มีซิมก็กติดต่อกายไม่ได้ต้องไปซื้อซิมมาใส่ถ้าอยากจะติดต่อกับกายทิพติดต่อกับนามาขันที่ไม่มีร่างกายก็ต้องใช้ใช้อุปจารสมาธิคําถามจากคุณยุทธนา<ม>เวลาบริกรรมพุทโธต้องปรุงคําบริกรรมไหมครับสั้นยาวช้าเร็วหรือเอาที่สบายครับเออเอาที่สบายเนี่ย การภาวนาเพื่อให้มันสบายไม่ใช่ไปให้มันเครียดกับการภาวนาเครียดกับการภาวนาก็อย่าไปภาวนาไม่ดีกว่ามันต้องสบายสบายสัปปายะที่ก็ต้องสบายคนที่เราอยู่ด้วยก็ต้องสบายแล้วการภาวนามันก็จะสบายมีสบายอยู่สี่ห้าอย่างอาหารละสัปปายะ อาหารก็ต้องสบายกินแล้วไม่มีปัญหากับร่างกายอากาศที่อยู่ก็ต้องสบายที่อยู่อาศัยก็ต้องสงบสงัดวิเวก ค, คนที่เราอยู่ด้วยก็ต้องเป็นคนที่สบายสบายด้วยกันไม่ใช่วุ่นวายกันนี่คือแล้วการบริกรรมการปฏิบัติของเราก็ต้องสบายแต่ไม่ใช่สบายแบบขี้เกียจสบายแบบว่าไม่ ไม่หักโหมมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ขี้เกียจจนเกินไปให้ยึดถือทางสายกลางคือความพอดีตามกำลังของเราในช่วงนั้นกำลังของภาวนาของเราบางช่วงมันก็น้อยบางช่วงก็มากช่วงน้อยก็บางทีต้องพยายามดันมันหน่อยดึงมันหน่อยอาจจะไม่ค่อยสบายแต่ก็ถ้ามันไม่ไม่หักโหมก็ไม่เป็นไรองพยายามมัน ล้ถึงไดผคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยได้ยินว่าการดูการเที่ยวเล่นการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆก็เป็นสัญญาสะสมอยู่ในจิตเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าคะแปลว่าเราไม่ควรเสพสิ่งเหล่านี้เพราะจะทำให้วุ่นวายถึงแม้เป็นอารมณ์ที่ชอบหรือคะแล้วเราควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรคะ ก็อย่าไปสนใจมันนะมาหาอารมณ์ที่ดีดีกว่าที่ไม่มีพิษมีภัยก็คือไปฝึกสตินั่งสมาธิไปหาความสงบนะอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยความสุขที่เกิดจากการเที่ยวดูดูเล่นอะไรต่างๆนี่มันมีพิษมีภัยเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วมันติดเวลาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์แล้วมันจะต้องมีเวลาที่จําเสพไม่ได้ คือร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือทั้งวันมันก็ต้องแก่เจ็บนะพอเวลามันแก่มันเจ็บเราก็จะไปเซ็ตไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปเล่นไม่ได้แต่ถ้าเรามาเสพความสงบนี้เราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายสามารถหาความสุขจากความสงบได้ตลอดเวลา คำถามจากคุณนิยาความสุขที่เกิดจากการทําความดีกว่าความสุขที่เกิดจากการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจหรือไหลไปตามอํานาจกิเลสอันไหนมีความสุขมากกว่าเจ้าคะแต่บางครั้งเราก็สึกมีความสุขมากเมื่อได้ริ้มรสอาหารอร่อยเดี๋ยวลองลองทําดูเสร็จคราวหน้าเวลาจะกินอาหารอร่อยแล้วเห็นคนที่เขาหิวข้าวโซมาเนี่ย แล้วเรามีกระจิตกระจายสงสารเขายอมเสียสละอาหารนันนาเลตอร่อยนั้นให้กับเขากินดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มกว่าการที่เราได้เสพอาหารอาหารที่อ ร, อร่อยเพราะเราเคยเสพมันมาหลายหนแล้วก็รูปลูปความสุขของมันก็มันก็แค่นั้นะเสพแป๊บเดียวมันก็หมดไป แต่ความสุขจากการที่เรายอมอดข้าวมื้อหนึ่งเพื่อให้คนที่เขาไม่มีอาหารกินนียให้เขาได้กินนียมันมีความสุขกว่ามากหลายเท่าดดวยกันลองทำดูคําำถามจากคุณระพีพันธ์กราบขอโอกาสค่ะถ้าพระลูกชายพูดต ว, วาดใส่พ่อแม่จะบาปไหมคะถ้าพ่อแม่แค่พูดเตือนสติท่านคะ่ะก็เป็นวาจาที่ไม่สมควร ที่ลูกจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นพระก็ตามการเป็นพระนี่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพ่อแม่แล้วการกราบไหว้ของพ่อแม่ให้กับพระนี่ไม่ได้กราบลูกนีกราบศีลของลูกกราบผ้าเหลืองกราบความดีของลูกที่พ่อแม่กราบไม่ได้หมายความว่าพอเป็นพระแล้วจะสูงกว่าจะใหญ่กว่าพ่อแม่ตวาดใส่พ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่เรายังต้องให้ความเคารพ นับถือยกย่องเทิดทูนบูชาอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นพระเป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็ตามสถานภาพความเป็นจริงไม่เปลี่ยนไปตามกับสถานภาพที่เราได้ได้รับจากการเปลี่ยนนะสถานาความเป็นจริงคือพ่อแม่กับลูกก็ยังเป็นพ่อแม่กับลูกอยู่เห็นเป็นพระหรือเป็นไม่เป็นพระก็ไม่ควรที่จะตะวาดพ่อแม่หมดแล้วนะ อันนี้เพราะว่าบางทีบวชแล้วก็หลงคิดว่าตนเองเป็นพระเห็นครูบาอาจารย์ตวาดว่าลูกศิดลูกหาได้ก็เลยคิดว่าตวาดพ่อแม่ของตอนเองได้จริงตวาดไม่ได้พ่อแม่นี้เรายังไงก็เป็นพ่อแม่เราอยู่ดีไม่ว่าเราจะมียศมีอะไรสูงขนาดไหนพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่อยู่พ่อแม่ไม่มีวันที่จะต่ํากับเราดัางนั้นเราต้องพยายามระมัดระวังเวลาที่เราอยู่ หรือพูดคุยหรือปฏิบัติกับพ่อกับแม่ต้องพยายามระลึกถึงท่านว่าท่านเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของเราเป็นพระของเราเราต้องคอยเคารพให้ความเคารพเทิดทูนบูชายกย่องท่าน คำถามจากคุณลูกปองเราจะฝึกจิตในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างคะเพราะเรามีเวลาว่างทั้งวันเราควรทําอย่างไรบ้างขอคําแนะนะําค่ะก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าชอบทาบริกรรมก็บริกรรมพูดโธไปถ้าชอบบทสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปถ้าชอบดูร่างกายเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็มีสติอยู่ ก, การทํางาน กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปวิธีการเหล่านี้จะเป็นการฝึกสติทำให้ใจมีกำลังที่จะมาควบคุมความคิดควบคุมความโลภความอยากต่างๆทำให้ใจเบาใจเย็นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายแล้วก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆนี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เวลาที่เราอยู่ตามลาพัง คำถามจากคุณนิยาความสุขของผู้หมดกิเลสมีมากมายแค่ไหนหรือเจ้าคะก็เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ก็แล้วกันความสุขของคนมีกิเลสก็เหมือนความสุขของตมน้ําในห้องน้ําเนี่ยของความสุขของผู้สิ้นกิเลสเหมือนคน้ําในมาหาสมุทรนั่นนะ่ะมันกว้างใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะ คำถามจากคุณสหเมษากลับท่านพระอาจารย์กระผมได้ฟังท่านพระอาจารย์เกิดความสุขเกิดจากความเพียรจากการแสวงบุญใช่ไหมครับก็แล้วแต่แต่คุณทําอะไรคุณไม่ระบอกเราเราจะไปรู้เลยถ้าคุณมีความสุขจากการฟังธรรมมันก็ก็เป็นความสุขที่ได้จากการฟังธรรมถ้าคุณมีความสุขจากการทําความเพียรมันก็เป็นความสุขจากการทําความเพียรนะ นี่มันถามแบบรวมมิตรเลยไม่รู้ว่าจะตอบกันไหนเดี๋ยวย่อไมโครโฟนไปก่อนเวลาพูดถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ย I don't quite get it อารมณ์ก็อิโมชันไงอิโมชันที่มีอยู่ในใจเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีแล้วอารมณ์มันมีหลายความหมายถ้าเป็นกรรมฐานก็เป็นอารมณ์แบบไม่มีไม่มีอีโมชันเป็นอารมณ์เป็นกลางๆที่40่สิบกรรมฐานพุโธพุทโธอันนี้มันก็เป็นอารมณ์แต่มันไม่มีมันไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ แต่เป็นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็น mental object s. mental object s. <S ภาษาธรรมนี่เป็นทีอ่อมณ์ชใช่ไหมใช่มันมีทั้งไทยมีทั้งธรรมะปนกันเออออหมดแล้วเหรอมีคำพังมายจะพังโอเคอย่างที่พูดเนี่ยภาษาบางทีเวลาศึกษาต้องต้องต้องเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ต้องบางทีถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นยะเราก็ต้องไปศึกษาความจริงว่าคานี้เขาหมายถึงอะไรกันนะคำ ว, ว่าอารมณ์นี้ทางาศาสนานี่หมายถึงสิ่งที่เราใช้ให้มันปรากฏขึ้นมาในใจเรา เป็นอารมณ์เช่นเราพุทโธนี่ก็เ lim ป็นอารมณ์อย่างหนึ <min <min ่งเรานึกถึงภาพต่างๆก็เป totally ็นอารมณ์อย่างหนึ่งนึกถึงอสุภะนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งหรือเราโกรธใครมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเรามีความสุขกับคนนั้นคนนี้มันก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งแต่อารมณ์แบบแบบนั้นมันเป็นไทยมันเป็นภัยเพราะว่ามันมันเป็นอนิจจัง เวลามันหมดไปมันก็ทําให้เรารู้สึกเหงาว้าเวเวลาที่เราได้เสพอารมณ์ที่เป็นสุขนะงั้นให้เรามาเสพอารมณ์ที่เป็นกลางดีกว่าที่ไม่ทําให้เราสุขหรือเราทุกข์ที่ทําให้ใจเราสงบแล้วอารมณ์เหล่านั้นเวลามันไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปเสพอารมณ์ที่เป็นสุขพอมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมานี่คือความหมายของคําว่าอารมณ์เออ อารมณ์นี้อาจจะเหมือนคล้ายๆกับที่เราใช้ในในชีวิตประจำวันวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยนั่นก็เพราะว่าเนี่ยเรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โลภมีอารมณ์ไม่พอใจต่างๆก็เปลี่ยนมันได้อารมณ์ไม่ดีเราเปลี่ยนได้เราไม่รู้เหรอใช้พุทโธเปลี่ยนมันสิวันนี้เราไม่ดีก็ทำให้มันหายไปได้ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไป คำถามค่ะคำถามจากคุณสิริปรียาถ้าไม่ถนัดนั่งสมาธิ ม, ธมีวิธีไหมวิธีไหนแทนไหมเจ้าคะก็เดินสมาธิก็ได้เดินไปก็พุโทโธไปหรือดูเท้าไปยืนก็ได้นอนก็ได้แต่ไม่ดีนอนแล้วมันมักจะหลับอย่าถ้านอนไม่หลับก็ใช้ท่านอนก็ได้ แต่ท่าที่ดีที่สุดก็คือท่านั่งถ้าต้องการให้จิตสงบนานๆยืนนานๆมันก็จะเมื่อยเดินนานๆมันก็จะเมื่อยนั่งนานๆมันจะเมื่อยแต่มันเมื่อยมันน้อยกว่ามันเวลาสงบแล้วมันจะไม่รู้สึกเมื่อยแล้วมันจะสงบได้ดีกว่าเพราะมันไม่ต้องทําอะไรถ้ายังยืนยังเดินจิตยังต้องทํางานอยู่แต่พอเวลานั่งแล้วมันไม่ต้องทํางานมันก็จะสงบได้เต็มที่ คำถามจากคุณสลัดสวดัสดีตอนแรกคิดว่าฐานสติสเริ่มจากกายแล้วพัฒนาเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแต่ในการปฏิบัติจริงบังค้างเกิดเวทนาต้องกลับมาพิจารณากายจึงจะหายเวทนาแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเรียนลำดับใช่ไหมคะ เวลาปฏิบัติเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่มเวลาไปเลือกมันไม่ได้ว่าจะทุกข์กับร่างกายหรือทุกข์กับเวทนาหรือทุกข์กับจิตตัวไหนมาเราก็ต้องใช้ไตรักพิจารณาปล่อยวางมันไปแต่ตามพูดถึงตามลำดับถึงการปล่อยวางแบบถาวร น, นี้มันก็ต้องปล่อยเป็นจากกายไปเวทนาไปจิตเพราะความละเอียดความยาก ง, ง่ายมันต่างกัน แต่เวลาปฏิบัติบางทีตัวอื่นมันเข้ามาก่อนก็ต้องแก้มันไปก่อนชั่วคราวแต่มันไม่ได้เป็นการแก้แบบถาวรการเป็นแก้แบบถาวรแบบลาบคาบนี้มันต้องไล่ไปจากกายไปสู่เวทนาไปสู่จิตตามลำดับไปสู่ธรรมคำถามจากคุณ น, ชนัชพลกระผมเกิดอาการปิติบ่อยๆเช่นน้ำตาไหลเวลาทำบุญหรือตอนนั่งสมาธิควรทาอย่างไรครับ ถ้ามันไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันทำเป็นความรู้สึกที่ดีก็ปล่อยเหมือนปล่อยเพลงยดๆไปยึดไปติดมันเท่านั้นเองต่อไปเวลาทำบุญข้างไหนไม่มีปิติไม่มีน้ำตาไหลแล้วจะไม่อยากทำนี้ก็ไม่ถูกอ่ะทำไปแต่บางครั้งมันมันถูกใจมันก็เลยเกิดปิติบางครั้งทำแล้วไม่ถูกใจมันก็ไม่เกิดปิติเหมือนกับกินอาหารบางครั้งมันกินอาหารไม่ถูกใจมันก็ไม่รู้สึกออ มนความสุขแต่มันก็ยังดีกว่าไม่กินกินอย่างนั้นมันก็อิ่มถึงแม้จะไม่สุขมันก็อิ่มทาบุญบางทีมันไม่ปิติแต่มันอิ่มก็ใช้ได้บางทีมันก็ทั้งอิ่มทั้งปิติก็ดีได้สองอย่างแต่ปิตินี้เป็นของแถมตัวหลักก็คือตัวอิ่มอิ่มใจอิ่มกายเฉะนั้นทำไปเวลาทำแล้วบางทีไม่เกิดปิติก็ไม่เป็นไรวราะอาจจะทาแบบไม่ไม่ถูกใจ บุญนี้มันมีหลายชนิดไงเหมือนอาหารอาหารที่เรากินชนิดที่เราถูกใจไหมทั้งกินทั้งอิ่มทั้งปิติใช่ไแต่ถ้าไปกินอาหารที่ไม่ถูกใจมันก็ได้อิ่มอย่างเดียวแต่มันไม่ปิติบางทีเราการทำบุญบางทีเราก็เลือกทำไม่ได้บางทีก็ยื่นซองมาให้เราไม่ชอบทำบุญแบบใส่ซองแต่ก็ต้องทำอย่างนี้ก็ทําไปแต่มันจะไม่เกิดปิติเหมือนกับเราเลือกทากับสิ่งที่เราชอบ เห็นเรชอบช่วยหมาอย่างนี้พอเห็นหมาเดือดร้อนแล้วก็ไปช่วยมันรักษาพยาบาลมันหาบ้านให้มันอยู่โอ้เราก็เกิดทั้งอิ่มทั้งปิติขึ้นมาในใจเหรือคนก็ได้ถ้าไม่ชอบหมาก็ชอบคนหรือชอบเด็กก็ได้ ก็เกิดปิติขึ้นมานท้องวันนี้เราบินตาบาดเราจากนมให้เด็กเราเกิดปิติเห็นเด็กมันยิ้มแล้วเราก็มีความสุขอ่นจริงๆเด็กมันพอได้ขนมมันยิ้มเลยตอนต้นงงเลยทําอะไรพอให้นมมันมันเข้าใจเลยอ๋อยิ้มเลยทีนี้ทุกครั้งเจอมือยื่นนมมาก่อนคําถามจากคุณคู่ชีวิต กราบขอคำชี้แนะหากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านตั้งปาฏิชารว่าจะนั่งสมาธิทั้งคืนความสุขของท่านที่ได้รับจากการนั่งสมาธิทั้งคืนสามารถทดแทนความสุขที่ได้จากการนอนแบบทั่วไปได้ไหมครับอ๋อได้สิมันดีกว่านอนนอนมันก็เป็นหมูเท่า น, นั้นเองถ้านั่งทั้งเกิดก็ได้เป็นพระอริยะมันความสุขของพระอริยะนี่มัน คนระดับกันเหมือนตุ่มน้ำกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยหมดหรือยังเีลหนึ่งคำถามค่ะ <Okay. S 2> คำถามจากคุณสุวรรณาการเข้าสมาธิกับการเดินปัญญาทำในเวลาต่างกันใช่หรือไม่เจ้าคะออใช่ทำพร้อมกันไม่ได้สมาธิต้องหยุดคิดปัญญาต้องใช้ความคิดก่อนจะใช้ปัญญาได้ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนถึงจะสั่งให้คิดไปในทางปัญญาได้